ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยหมูได้กราบลากลับบ้านกันเช้า ว, วันใหม่ตอนฉันจันหันอาจารย์สังได้นําหมู่เล็กน้อยออกมาพูดกับข้าพเจ้าอีกตอนแรกจะพูดชมว่าท่านอาจารย์ได้มาจัดสํานักขึ้นในที่นี้ก็อยู่โปรดพวกผมนั้นพวกผมมีควา ม, มดีความได้แก้วอัญหาข้ามีได้ที่ท่านอาจารย์มาอยู่นี้แต่หมู่พวกผมเขายังมีใจมืดมนอยู่มาก เขาไมมีความพอใจกับพระอาจารย์เทศสอนเลยผมอยู่กันกับหมู่เขาเขายกเอาผมให้เป็นหน้าถ้าผมไม่ช่วยเขาไม่ตามเขาบ้างเขาก็จะฆ่าผมจำเป็นก็ต้องช่วยเขาพูดแทนเขาไปบ้างแหละท่านอาจารย์ย่าได้ถือผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าการถือไม่ถือนี้อาตามาก็ปล่อยวางเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่า อาตมาก็อาศัยโยมฌานผู้รู้ในธรรมะนั่นแหละช่วยแก้พวกหมูพ่พวกโยมช่วยเขารู้เขาเห็นตามที่อาตมาอธิบายให้เขาฟังฌานสังก็รับคำข้าพเจ้าแต่แกรับพูดว่าผมพูดแทนนันจาย์ไม่ได้ผมพูดเขาจะฆ่าผมทีเดียวเลยอยู่ต่อมาจนถึงวันเก้าค่ำตอนประมาณสองทุ่มข้าพเจ้าเดินจมกรมอยู่ ได้ยินเสียงร้องคุกคามมาทั้งบ้านโศกแสงเก้าพเจ้าความดูได้ยินเสียงว่าพระตัวดีขัวดือ้อพูดเอาแตกความตัวให้หนีเดอ้อไม่หนีวันนี้จะถูกครานทุกหัวให้แตกหรือมิฉะนั้นให้ถึงตายถ้ากลัวตายให้หนีเดี๋ยวนี้เจ๊งอึกทึกคึกโครมเก้าพเจ้ามองดูเห็นแสงตะเกียงเจ้าพายุสว่างพ้นป่ามา จึงนึกจะคิดหาอุบายแก้ไขเพื่ออย่างไรเมื่อมันมากันรูปนี้แล้วก็พระเจ้าที่นึกถึงคุณรรรรพระรัตนไตรอันตนได้ปฏิบัติอยู่และบุญอันตนได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บวชเป็นสัมมาเนนจนบัดนี้เหมือนอย่างเคยปฏิบัติมาและปลอดภัยมาแต่ผลหลังอย่างไรก็พระเจ้าจก็ได้ระลึกอย่างนั้นระลึกจบดีแล้วมีความดีใจมีใจกล้าบเบิกบาน ไม่สะทบสัตพานต่อเหตุการณ์ไม่มีนึกตัวต่อเรื่องที่เขาร้องขู่เข็นคุกคามมานั้นเลยจนเขาเข้ามาถึงมีพวกถือตะเกียงขึ้นบนศาลาอีกพวกหนึ่งจํานวนมากไม่ขึ้นบนศาลาพากันยืนอยู่ที่ศาลาห่างจากขพระเจ้านั่งประมาณสองวาข้าพระเจ้าห่มจีวรดีแล้วเดินไปและระลึกหาตัวปัญหา ความรู้ที่เป็นอุบายรักษาใจตัวขึ้นว่าพระองค์สอนเราให้รู้และให้ละโรคโกรธหลงดีแล้วหล่ะที่เขามานี้เราต้องให้เขาเข้าใจว่าเขามาบอกให้เราเห็นตัวโรกโกรธหลงอันมีอยู่ในใจเราให้เราเห็นชัดเพื่อเราจะได้แก้ได้ละให้มันหมดไปจากใจเราให้เราพ้นทุกดอก ด, ดีมาก เราขอขอบคุณเขาผู้เขามาบอกของอันเรายังหาไม่เห็นให้เราเห็นได้ชัดเต็มที่พวกนี้มันจะมาบอกให้เราเห็นโลกโปรดหลงอันนี้อยู่ในใจเราให้เราเห็นมากเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ได้เห็นในเวลามีคนมาบอกให้รู้นี้เองอย่างนี้แล้วก็ระลึกขวนถึงการมาตั้งสำนักก็ได้รู้ว่าตนสร้างโมทิตตอบคุณพระรัตนไกร เป็นบุญอันใหญ่อยู่แล้วเราจะไม่มีใจหวาดหวั่นกับความตายดึ้งอย่างไรพอดีเขามาถึงผู้คนเท่าหรือตะเกียงมีจานสังเป็นต้นขึ้นบนศาลาที่ข้าพเจ้าเคยนั่งต้อรับเขาข้าพเจ้าก็ไปนั่งรับเขาตามคำยืนพระจานสังและผู้เท่ามีผู้ใหญ่จานเบ้าเป็นต้นกราบข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็าฝากกันนั่งจานสังจึงพูดขึ้นว่า ท่านอาจารย์จะอยู่ในวัดที่ท่านจัดขึ้นนี้จริงหรอครับเาพเจ้าจึงตอบอาจารย์สามว่าอาตมาก็ยังไม่ตกลงใจว่าจะอยู่ในสำนักนี้เป็นแน่นอนหรอกรอฟังเหตุผลในการอยู่ในสำนักนี้ไปดูก่อนถ้าตามายอยู่ในสำนักนี้ได้มีความสบายอาตมาก็อาจจาพารษาในสำนักนี้อาศัยบินฑบาตกับพวกญาติโยมนี้แหละอาจารย์สามงจึงว่า เ่องท่านอาจารย์จะอยู่ในวัดนี้ต่อไปเพื่อได้นักก็รับเพราะพวกผมในบ้านตกแสงให้พอใจที่ท่านอยู่ตามตกลงในหมู่บ้านพวกผมว่าอยากท่านอาจารย์เรียนตัวนี้ในวันมื้ออื่นนี่แหละท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรก็พระเจ้าจึงพูดว่าก็นั่นแหละโยมจารย์สังอาตมาจึงว่าด้วยการอยู่การไปของอาตมานั้น จริงว่ารอดูเหตุการณ์ไปก่อนก็อพอดีโยมจาร์มาพูดังนั้นเรื่องให้อตมาหนีซึ่งพวกของโยมจานไม่เห็นดีในการที่อตมามาอยู่นี้ไม่เห็นดีอย่างไรอตมาก็รู้เรื่องไม่เห็นดีที่อตมาจะอยู่จะเป็นเหตุผลพอสมควรให้อตมาหนีได้ไหมขอให้โยมจาน์พูดให้อตมาฟัางไปลองดู ถ้าสมาเพียงแต่ได้ยินโยมจานสังมาพูดนี้ว่าหมู่พวกผมไม่เห็นดีให้ท่านหนีเท่านี้ถ้าตมานีไปก็เท่ากับเอาภัยใจตัวตมาให้เป็นทุกข์เท่านั้นขื่อตมานีเพราะพวกโยมไล่ไปจากบ้านโสกแตนนี้ไปอยู่ที่อื่นอีกเขาจะสงสัยในตมาว่าพระองค์ น, นี้เห็นจะเป็นผีปอบกินคนหรือเป็นพักไม่บริสุทธิ์หรือเป็นโทษอะไรมาแล้ว พวกโยมบ้านสกแสงจึงได้ขับไล่หนีมาอย่างนี้เราจะรับท่านอยู่กันได้อย่างไรอาตมาจะไปบ้านใดเมืองใดเขาก็จะไลอ่อาตมาไปยังพวกโยมบ้านศกแสงให้อาตมาอยู่เดียวนี้เท่านั้นอันพวกโยมไม่เห็นดีไม่อยากให้อาตมาอยู่ในที่นี้มีเรื่องอะไรจึงไม่เห็นดีอาตมาขอทราบด้วยอาจารย์สังจึงพูดว่าขา่าท่านอาจารย์มาอยู่นี้ เจ้าปูม่มเหศัตว์รู้ท่านอยู่ไม่ได้ที่หนีไปเมื่อเจ้าปูม่มเหสัตว์บินจากไปแล้วไม่มีอันใดมาคุ้มครองปกปักรักษาแล้วผู้คนไข่ก็ต้องตายพร้อมกันหมดบ้านเขาจึงให้ท่านหนีไปจากที่นี้ไปวันเมื่ออื่นนี้คือพรุ่งนี้ก็พอเจ้าจึงพูดกับโยนจานสั่งว่าใครเช่มีตาพิษรู้เห็นท่านจะปู่อยู่ หรือไม่อยู่ได้ดีแท้ท่านเจ้าปู่มาเข้าขวาัญอาตมามานอนอยู่นี้คืนที่สามวันว่าท่านเจ้าปู่มาขออาตมาให้ช่วยปลุกขอให้ใหญ่พระที่อาตมาได้นำพวกโยมขพืนนี้ให้ได้สิเ็หลังพร้อมสาลาหนึ่งหลังโรงไฟหนึ่งหลังตลอดทั้งโรงน้ำและซุ้มถ่ายด้วยดังนี้อาตมาก็เข้าใจว่าท่านปู่อยู่ที่อาตมาลุกถวายท่านนี้ จึงว่าใครช่างมีญาณรู้ได้รู้เห็นท่านปู่ครูอาตมาอยู่ไม่ได้หนีไปเมื่อท่านหนีไปเวลานี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านเป็นพระเหมือนกันกับอาตมาชื่อท่านก็ว่ายาครูโกเป็นพระเหมือนกันกับอาตมาอยู่แล้วจ่งมาครูอาตมาผู้เป็นพระเหมือนกันอย่างไรอาตมาไม่เห็นด้วยจานสังจึงพูดขึ้นว่า ท่านอาจารย์พูดนี้ก็ถูกแล้วแต่หมู่พวกผมจะเห็นกันว่าอย่างไรผมขอถามหมู่พของผมดูก่อนแล้วแก่ก็ร้องเรียกขึ้นว่าหมู่พวกเราใครจะเห็นกันว่าอย่างไรเมื่อพากันมาได้ยินท่านอาจารย์พูดดังนี้พร้อมกันแล้วคือท่านอาจารย์ท่านต้องการเหตุผลให้เป็นการเพียงพอสมควรพ อ, อนี้ท่านจึงจะหนีไปจากที่นี่ได้พวกเราจะมีเหตุผลอันใด มาพูดเทศท่านเห็นเป็นการสมควรกยผ่ากันว่าขึ้นมาลองดูมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาจากท้างล่างว่าเทศก็มีว่าคือก็พระเจ้าฝันว่าเจ้าปู่อยู่ในที่นี้ไม่ได้เพราะกลัวพระองค์นี้ท่านมีธรรมแก่เจ้าปู่กลัวอยู่ไม่ได้จึงได้ห น, นีไปอยู่ทีนเขาภูเพงประมุขพวกเราถึงเจแล เมื่อมู่บ้านของพวกเราไม่มีเจ้าปู่ตารักษาแล้วสีตัวอื่นก็จะมากินลูกเล็กเด็กแดงของพวกเราตายหมดเท่านั้นเองจริงที่พระองค์นี้มนีมือนี้หรือมือ้ออื่นนี้ให้ได้ทีเดียวทั้งพระองค์นี้พูดอาแต่ความเห็นของตัวคนเดียวนี้มาตั้งแต่ตั้งวัดลงในที่นี้ก็ไม่มีใครมาร่วมรู้ด้วยเลยมากล่มเห็นคนเขาทั้งบ้าง ตวัดด้วยตนเองจะควรให้มันอยู่ไปทําไมนี่ละเหตุผลมันจะเห็นเป็นการเพียงพอไหมถ้ามันอยา่างนั้นเป็นการเพียงพออยู่แล้วมันจะให้เอาไม้คอร์ฟาดหัวมันอย่างนั้นหรือมันจึงจะเห็นว่าเป็นการสมควรหรือเพียงพอประการใดเขาดุเขาด่าตั้งแต่เขาเดินมาจนได้พูดกัน ข้าพเจ้าก็ยกคื้นให้เป็นของเขาด่าข้าพเจ้ายังไม่เอามาพิจารณาเพื่อตอบเขาอยู่ก่อนเพราะอยากพู้นิสัยคนบ้านตกแฝงและคนเหมือนขอนแก่ให้แน่ชัดพอรู้ใจเขาแน่นอนแล้วข้าพเจ้าจึงว่าโยมก็เอาความฝันยกขึ้นเป็นเหตุผลทัตมาที่จะได้นำพาพวกญาติโยมบ้านหนองโจดบ้านหนองขาม และผู้โยมผู้ใหญ่บ้านตกแสงผู้มีสัตว์าทั้งหลายพื้่อกันมาช่วยกันสร้างสานักขึ้นอัตมาก็ได้ฝันก่อนเหมือนกันกนางอัตมาได้พูดให้โยมฟังมาแล้วนั้นแต่วันหลังเหตุนั้นอัตมาไม่ได้นำพาพูกโยมสร้างขึ้นอัตมาฝันกับโยมฝันใครจะแน่กว่ากันประการใดจานสังตอบขึ้นว่าถ้าจะว่าพระนั่นแหละ ฝันจะจริงกว่าเพราะพร ะ, ระมีสื่อีธรรมทั้งพระมีด้ความไม่มีการงานให้เป็นการบอบบี้แก่ร่างกายเหมือนพวกโยมดังนี้กัปปเจ้าจึงพูดว่าอตมาจะขอพูดไว้ฟังอีกก่อนพวกจะดุอตมาอยู่ข้างล่างทั้งหลายนั้นก็ขอให้ฟังอตมาก่อนอีกก่อนคือการอยู่และการไปจากที่นี่เมื่ออตมาพูดเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้จบแล้ว ก็จะพูดถึงเรื่องการอยู่การไปเพราะอาตมาที่พวกญาติโยมทั้งหลายทราบพอเมื่อภายหลังท่านอาตมาฝันนี้อาตมาว่าเป็นความจริงอาตมาจึงได้ปลงใจให้นํำพาพวกญาติโยมผู้มีใจศรัทธาสร้างสํานักนี้ขึ้นแย่งพวกญาติโยมทั้งหลายได้เห็นกันอยู่นี้เพราะท่านเจ้าปู่มาเข้าในิมิตรฝันอาตมาอย่างไรอาตมาก็ได้นําพาญาติโยม จัดําหอขึ้นถวายท่านจึงมีพวกโยมบางคนเข้าใจผิดเข้าใจว่าอาตมาทำลายในที่นี้นั้นไม่ใช่แล้วเพราะสู่ขอพวกโยมทำาขื้อเล็กๆถวายท่านหลวงปู่โขกนี้อาตมาก็ยังรักษาไว้ดีอยู่อาตมาไม่ได้ทำลายประการใดเลยลานวัดของท่านเตียนอยู่เล็กๆนั้นอาตมาก็ได้พาให้พวกญาติโยมทางให้เลียน กว้างขวางออกไปได้มากกว่าเก่าอีกทุกอย่างอตมาได้นําพาพวกญาติโยมบูรณะให้เพิ่มเติมขึ้นก็ได้มากอยู่ก็จะให้อตมาทําดีขนาดไหนอีกเล่าถ้าอตมาได้หนีไปจากที่นี่ไปจริงดังพดดวกโยมบางพวกยากให้หนีบัดนี้นั้นอตมาได้เคยเห็นมานับว่าทุกแห่งเลยอันรอนปู่กานี้รอนสารเจ้านี้เมื่อพระใดไปตั้งสํานัก หรือทำลายตูกและรูปดอนเดิมให้เสียรูปไปแล้วพระผู้นำทําให้อยู่รักษาได้หนีไปที่อื่นดังนั้นเคยเห็นเจ้าปูกกกใหญ่ทําให้คนบ้านนั้นล้มตายกันใหญ่จนได้แตกบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ยังนําไปเบียดเบียนให้ตายอยู่ก็มีที่อัตมาเคยเห็นมาเหตุ น, นั้นเมื่อตมาได้นําพาญาติโยมสร้างสำนักนี้ขึ้น พระอาตมาหนีไปยังพวกโยมบางพวกอยาก ห, หนีนั้นอาตมาที่มีความกลัวจะมีความเดือดร้อนพวกญาติโยมบ้านโศกแสงกลัวเจ้าปู่โกงอยู่แล้วท่านอาจโกรธให้ที่พวกญาติโยมไปทําการเบียดเบียนพระเรือ่องอาตมาทั้งหลายนั้นและอีกประการหนึ่งก็เมื่ออาตมาได้จัดสํานักขึ้นก็เนื่องจากโยมหมอนลาก้อนได้ไปกราบพระกาาระปฌา์ใหญ่ของอาตมาให้มาอยู่ เพโปรดโดยมหมวลำก้อนเป็นต้นตลอดคนอื่นๆผู้มีใจเลื่อนใส่ศรัทธาพระอาจารย์ของอัตมาจึงให้ยาครูดีมากับดวงหมวลำก้อนแล้วก่อนอัตมาได้มานี้ท่านยาครูดีไม่มีความสามารถจัดสํานักขึ้นไม่สําเร็จได้กลับคืนมากราบบอกท่านอาจารย์ว่าไม่จัดขึ้นไม่ได้กังนี้ก็พอดีอัตมากลับมาจากที่ทุดง พระอาจารย์ขันจะได้จัดให้อัตมามานําพวกโยมที่โยมหมอลําก้อนตลอดโยงอื่นบ้านหนองโจดและบ้านหนองขามมีผู้ใหญ่บ้านจานเบา้าและสารวัตรเป็นต้นได้พา ก, กันมาจัดสร้างขึ้นจนจว น, จ, นจะสําเร็จอยู่แล้วนี้เมื่ออัตมาหนีไปตามพวกโยมที่อยากให้หนีเช่นนั้นอัตมากลัวความผิดด้วยอัตมาผู้นําสร้างหนีไปพวกโยมผู้มีศรัทธา ทั้งหลายโกรดที่อาตมาว่าพูดไม่สำเร็จและไม่มีความจริงฟ้องร้องอาตมาก็ได้เพราะด้วยสลักของมธรำมีหญ้ามูงยญ้าคาไม้ไผ่ทําฝ้าปูพื้นและสาลฝาแอบมากมายทั้งเสียเวลาก็หลายวันมาแล้วด้วยทุกอย่างจึงสมควรฟ้องร้องอาตมาได้อาตมาก็ไม่มีขนทางแก้ตัวได้เลย ถึงผู้โยงผู้ไม่พอใจในเรื่องจัดสร้างสำนักขึ้นจะถืออภิสิทธิ์ของตนมาบ้านในการปลูกสร้างที่เขามีศรัทธาจะยกขึน้นนี้ก็ไม่ได้อยู่อีกนั่นแหละมีอยู่แต่เขาผู้สร้างจะมางคือรื้อของเขาเองเท่านั้นแหละคนนอกนั้นจะมารื้อของเขาไม่ได้เลยเขาฟ้องได้หมดนั่นแหละเหตุนั้นในเรื่องนี้อัตมาขอบอกว่าอัตมา ยังหนีไม่ได้ดอกและการที่อาตมาได้มาครั้งนี้มีพระอาจารย์ใหญ่ของอาตมาพร้รอมด้วยเจ้าคณะจังหวัดท่านพระครูพิสานได้สั่งให้อาตมามานําพวกญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างที่พักขึ้นตามคําของโยมหัวลําก้อนได้ไปขอพระกับพระอาจารย์ของอาตมาให้มาโปรโดโยมนั้นเมื่ออาตมาจะได้หนีไปจากสานักนี้จริงแล้วอาตมาก็จําต้องเขียนรายงาน บอกความขัดข้องของพวกญาติโยมบางพวกไม่เห็นดีให้อยู่ไปให้ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองของอตาตมาให้ท่านทราบเพื่อพิจารณาแล้วให้ท่านสั่งมาว่าให้อตาตมาหนีหรือให้อยู่ประการใดแล้วก่อนจึงจะรู้เรื่องอยู่เรื่องหนี้ไปของอตาตมาให้เป็นการแน่นอนลงได้พวกเขายืนอยู่ข้างล่างเขาได้ยินพระพเจ้าพูดมาทั้งหลายนั้นจนจบเรื่องลงนี้ มันยิ่งโกรธยิ่งดา่าจะเอาพราควันหัวตีหัวเป็นการใหญ่เพราะเขาว่าข้าพเจ้าพูดเอาแต่ความตัวไม่ฟังเหตุผลคนอื่นไม่เอาคําพูดของใครเลยตุกข้าพเจ้าได้ยเสียงเขาพูดอยู่ข้างล่างเขาโกรธให้ข้าพเจ้ามากจึงได้เอาใจพิจารณาคําพูดของเขาและของตนที่พูดมาทั้งหลายนั้นเห็นว่าตนได้วางความเห็นไว้ เป็นหลักแน่นหนาพอสมควรดีแล้วจึงได้ไปเอาเรื่องผู้ที่อยู่ข้างล่างที่เขาโกรธให้นั้นเพื่อเป็นการแก้ให้เขาสงบลงแต่ว่าก่อนจะไปข้าพเจ้าได้ระลึกในใจถวายชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรยัยอันตรวูข้าพเจ้าที่ตั้งใจปฏิบัติมาให้ใจได้ถวายให้จริงดิ่งลงแน่นอนก่อนใจตกลงเห็นว่าภมันจะเกิดขึ้นในเราได้ก็เพราะทม เหลือความสามารถกุศลเราจตั้งใจปฏิบัติมาให้คุณพระรัตนไตรมาแก้หลุูนั้นแหละมาบันดาลให้คนหมู่นี้ฆ่าตีหรือกระทำสิ่งใดเราได้ดังตัวข้าพเจ้าเลรลึกได้ปลอดภัยมาแล้วแต่ก่อนทุกคราวมาแล้วจึงรวนไปเอาเรื่องข้าพเจ้าจึงถามขึ้นว่าพวกจางเบา้าหรือโยมจันทัง ท่านพวกใครที่ยืนอยู่ก้งลังทั้งหลายพากันพูดขวดดีอยู่นี่เป็นคนบ้านโศกแสงเราหรือหรือเป็นคนบ้านใดกันนี่โยมผู้ใหญ่บ้านและโยมจานสังบวกข้าพเจ้าว่าไม่รู้เพราะเขาอยู่ไกลทั้งอยู่ที่มืดด้วยมองไม่เห็นดังนี้ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าโยวมว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าไม่รู้ไม่เห็นกันแต่ตมารู้อยู่นะคือ โยมผู้ยืนอยู่หน้าหมู่ในแสงไฟสว่างเห็นตัวอยู่นั่นคือโยมทิฏพรผู้ที่ถือความเพึ่งตามอาตมาวันที่อาตมาได้มาถึงตอนนี้วันแรกนั้นก็เป็นทิฏพรคนนั้นแหละโยมทิฏพรอาตมาจะบอกให้รู้นะอาตมาเองก็เป็นพระคนเกิดที่บ้านดอนเงินอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีอาตมาอยู่ในความปกครอง เจ้าจอมเมืองไทยของพวกเราและอยู่ในความปกครองของพวกเจ้านายทั้งหลายเหมือนกับพวกพระทั้งหลายอยู่กันตามบ้านเมืองขอนแก่นเรานี่แหละเหตุนั้นพวกโยมจะทำอาตมาอย่างไรค่อยพากันทาไปตามใจชอบเถอะไม่เอาแต่ปากพูดจาวฟันหัวตีกบปล่าวเลยเจ้าฟันจะตีอาตมาเอาเลยก็ได้อาตมาได้บทปฏิบัติคุณพระไตรชนคม ได้อุทิศชีวิตถวายพรมจันทร์มอบฤกษแก่คุณพระไตรชนกคมทุกประการจึงสามารถนั่งอธิบายธรรมะต้นตกความดุความว่าของพวกโยมอย่นี้เองแหละแต่พวกโยมทำรารอาตมาตลอดหมู่ของอาตมาให้ถึงตายหรือปิทงให้เจ็ดแต่อย่างไรก็ดีพวกโยมจะถูกพวกเจ้านายจับมาเอาตัวพวกโยมไปลงโทษเหมือนทาตัวอาตมาและหมู่ของอาตมาเหมือนกันฉะนั้น เพราะอัตมาไปอยู่ที่ใดไม่เคยได้มีปิดผ่านกับใครๆมาเลยเพราะอัตมาจะได้มีความสงสัยว่าคนที่อัตมาปิดกับเขานั้นได้ตามมากระทำอย่างนี้ไม่พึงมีแต่อาตมามาอยู่เพรนี้แหละเพื่ออุปถากท่านเจ้าปู่อันอัตมาเห็นว่าไม่เป็นที่ของบุคคลใดมาหวงแหนว่าเป็นที่ของตอนไว้เลยได้บังเกิดมีพวกโยมบานโศกแสงพวกหนึ่ง มีโยมทิฏผ่อนเป็นต้นมีความเข้าใจผิดได้มีความไม่พอใจมหาเรื่องว่าอัตมามาคมเหงยกวัดอยู่เองพูดแ ต, แต่ความตัวคนเดียวอยากฆ่าอยากฟันตีหัวมันว่าต่างๆนานาอยู่เดียวนี่แหละ